หลานจำต้องผ่านดินฟ้าอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงสูงต่ำต่ซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือกรุงเทพโดยไม่อาสงสัยการเกิดในสกุลสูงสูงต่ำต่ำตลอดภพชาติต่างๆกันนั้นสัตว์โลกเกิดตามวารกรรมของตนมาถึงแม้จะทรงบุญหนักศักย์ใหญ่แต่เมื่อถึงวาระกรรมของตนที่ควรจะสวยอย่างไรก็จำต้องสวยตามรายทางคือภพชาตินั้น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 ความบึกบึนกว่างานในดดของโลกมนุษย์หิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกขนาดไหนก็ยอมอดยอมทนหลังสู้ฟ้าสู้ฝนหน้าสู้ตมสู้โคลนทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝ น, นชนิดตกนรกทั้งเป็นหวายจะได้เข้าเปลือกเผื่ อ, อมันมาเลี้ยงคนทั้งโลกร่างกายแทบวันไหลจิตใจเหี่ยวหอชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งสิน้นแล้วจะไปชมใครผู้ใ ด, ดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้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 จงถือท่านผู้ดีมาเป็นคติตัวอย่างจะไม่เสียทางเดินเพื่อความเป็นคนดีของโลกที่ยังต้องการคนดีอยู่มากมายถ้ามีแต่คนประเภทลืมตัวโมโสมุ่งกับสิ่งทาลายสังคมโลกต้องโกลาหลหวุนวุ่นวายและจบพายวายปวงได้ไม่สงสัยถามเท่าที่ปู่มาเกิดเป็นสกุลชาวนาในชาตินี้ปู่พอใจยอยู่หรือมองมองดูปู่แล้วไม่เห็นทะเยอะทะยานกับอะไรนี่มากราบเมื่อไรฟังปู่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 ไม่คิดว่าจะได้ยินคํานี้ขึ้นมาอายที่ถามท่านแบบเด็กๆเกินไปปู่เห็นท่าไมส่สนิทใจจึงหาอุบายพูดเรียบเรียบเคียงๆไปทางอื่นเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติแล้วหลานก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์ลาบากมาแต่เป็นคราวาตไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล้ําเลิศอย่างนี้แต่ทําไมปู่จึงเลิศประเสริฐเป็นที่เคารพเพื่อมสายของปวงชนมากมายนะักถาม ถ้าอย่างนั้นคําว่าสกุลสูงหรือต่ำก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคขับนิสัยวาสนาบารมีของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพสิใช่ไหมปู่ตอบใช่คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์คนดีเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชั่วคนบุญเป็นคนบุ ญ, คน บ, ญคนบาปเป็นคนบาปหากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพมาลเมื่อร่างเดิมไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจําสัตว์โลกม า, มาดั้งเดิม ท่านจึงสอนมาให้ประมาทกันละกันเพราะคำว่ากรรมเป็นสิ่งละเอียดสุขุมมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาและความรู้วิชาของสามัญชนทั่วๆไปจะพิสูจน์ให้ถูกต้องหรือตรงตามความจริงแห่งกรรมนั้นๆได้เรื่องเหล่านี้ลึกลับมากสำหรับสามัญชนทั่ ว, วไปมีพระพุทธเจ้าและพร ะ, พระอรหันต์เท่านั้นสามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรมนั้นๆได้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 ด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตนทั้งนี้เพราะถูกกิเลส ต, ตัวมืดมิดปิดทวนมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิชิดเหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถสัมผัสรับรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้นอกจากโดนเอาโดนเอาแล้วลูกคลำไปตามปภาษาของคนตาบอดไม่มีอะไรรู้และแยบคายไปกว่านั้นดังคนตาบอดโดนต้นไม้หรือต้นเสาหัวต่อเป็นต้นเจ็บไปเปล่าๆไม่มี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 แ้่อย่างนั้นที่เขาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญสัตว์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกต่อไปนั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละซีปูเขาจึงพูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอตอบใช่ทุกกิเลสปิดทําท่านไม่ได้ปิดท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นท่านไม่ลบล้างท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึง มาตามหลักแห่งสว่ัสดธรรมที่ว่าตรัสไปชอบแล้วไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่ทําให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลสทั้งสิ้นต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจสัตว์โลกหลานจงเข้าใจเสียแต่บันนี้จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี้ยมสอนให้คิดให้ว่าว่าทําเป็นผู้สร้างปัญหาทําสร้างเหตุการณ์ต่างๆทําเป็นผู้สร้างทุกข์บนหัวใจสัตว์โลกความจริงแล้วมันคือกิเลสตัวแสนปริ่นปล่อนหลอกลวง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 คือสมณะโคโดมของชาวพุทธเราปู่ถามคณะะหลานยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้ตอบกินอยู่บ้างเป็นบางครัง้งบางคราวปู่แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไปกินเพียงเพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้นไม่ถึงกับติดมันปู่ปู่ถามปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้างคงไม่มโมโหให้ปู่กระมังถามเลยปู่พวกหลานไม่นึกมโมโหให้ปู่และ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 ตอบยอมรับทั้งสามสี่กระทงเลยปู่แต่หน้าหมอนไส้ผู้หญิงที่ชอบอุตริกเป็นนักเลงโตชอบกินเหล้าเอาเหล้าประดับเกียรติชอบหารบเล่าเย้าแย่ผู้ชายอันเป็นการขายหน้าสกุลราวกับสุนัขหน้าเดือนสิบเอสิบององเล็บเปิดทางภาคอีสานว่าสุนัขเดือนเก้าซึ่งเป็นหน้าสุนัขขนององเล็บปิดหมดย่างอายร้ายคุณค่าไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลยนอกจากชวนมนอนไส้และทุเล็ เอาละปู่ไม่ตำหนิผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะผู้ชายก็ไม่ใช่เทวบุตรอุตมะมาจากไหนผู้ชายก็เป็นคนคนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้หญิงนั่นแหลผู้ชายผิดไม่ดีที่ตรงไหนปู่ขอพูดถั้งหลานไม่โมโหนะผู้ชายก็น่าหมันไส้ถ้าจะหมันนะแต่ปู่ไม่หมันนอกจากสงสารที่เห็นผิดไปผูดเลยปู่แล้วหลานบอกปู่แล้วว่าจะไม่โมโหนอกจากนึกเสียวๆเพราะกลัวโดนแผลเป็นเข้าเท่านั้นปู่ถาม หลานๆเคยเห็นพ่อแม่ของเด็กทั้งแผ่นดินนำสุราบาเบียเครื่องดื่มของเหมือนเมามากรอกปากลูกๆป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหมไม่เคยเห็นเลยปู่เมื่อไม่เคยเห็นลูกๆ ก, ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคนของเด็กร้อยเปอร์เซนโดยแท้ไม่กล้านำสิ่งไม่ดีสิ่งจะทำให้เสียเด็กเสียคนเข้ามากล้ากลายลูกๆเลยส่วนพวกเราที่จเจริญเติบโตมาแล้ว ไปเที่ยวเสาะแสวงหากิ น, ห า, กนหาดื่มเครื่องดองของเหมือนเมาซึ่งทําลายจิตใจทาดขันและคุณค่าของมนุษย์ตลอดหน้าที่การงานให้ด่อยลงและเสียไปจนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่นานับถือและปราถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้นเป็นคนที่หน้าตำหนิทีเดียววัยปู่เปลี่ยนมานานและมากจนแก่ขนาดนี้แล้วแต่ใจยังไม่เคยเปลี่ยนจากการตาหนิคนขี้เหล้าเมาสุราคนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลย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 มันจะต้องตายเพราะเสือกินหัวมันถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบองปืนมีดคนนั้นจะต้องตายเพราะตะบองเพราะวุฒด้วยแท้ไม่สงสัยคนเมาเหล้ากล้าหารก็เป็นคนประเภทหมาไม่รู้จักเสือนั่นแหลจึงควรฟังคําสอนของปู่บ้างการฟังความอยากความทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟังและทาตามมันม า, มากต่อมาแล้วผลดีไม่เห็นมีนอกจากผลชั่วติดตัวและน่าตาหนิอยู่ตลอดไป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 บางรายจนเป็นเศษมนุษย์หมดคุณค่าสาระโดยประการทั้งปวงไปเลยก็มีแต่บัด น, นี้ต่อไปจงพากันใช้ความพิจิารณาฟังเสียงปู่และนำไปเทียบเคียงกับคำพูดทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาจะมีแง่ผิดถูกหนักเบาตา่างกันอย่างไรบ้างแล้วเลือกเฟ้นนำไปปฏิบัติเพราะลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมที่ออกมาจากพระทยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผิดกับลมปากที่กิเลสราคะตัณหาผลิก หรือปรุงให้กินให้พูดออกมาอยู่มากทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดินถามทำไมาปู่สมัยนี้คนจึงชอบเอาเหล้าประดับเกียรติในสังคมน้อยใหญ่แม้สังคมเด็กก็มีเหล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มีเว้นไปเสจะแล้วเด็กกินแล้วมเมาทะเลาะและตีกันอึกระทึกเห็นตําตา ม, มาแล้วหน้าทุเรศจริงๆแล้วก็อดคิดถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายและผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไร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 จึงแสดงกิริยาและคำพูดกวางโลกออกมาในถ้ำกลางฝูงชนทุกชั้นได้อย่างเต็มกิริยาและเต็มปากไม่กระดากอายกลับเรื่องปกติที่เคยมีในตัวเช่นเคยเห็นคนทุกขเป็นต้นมาเป็นคนมีสุขเป็นคนมั่งมีเป็นคนฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรู้และมีกันวาดรวดร้ายออกมาอย่างเต็มตัวไม่กลัวใครจะตําหนิติเตียนและทําลายเพราะไม่มีสติความจริงแล้วก็คือการระบายทุกข์ของคนเมานั่นแลด้วยเหตุเหล่านี้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 ทำไมปู่พูดเรื่องคนเมาสุราได้อย่างน่าขบขันน่าหัวเราะจริงๆทั้งที่ปู่ไม่ใช่คอสุรามาก่อนปู่นี่ทั้งน่ารักทั้งหน้าก็ารพเปลือมใส่มากทีเดียวและหลานรักปู่มากตอบปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกันจึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่กันฟังนี่แหละอย่าว่าแต่ปู่ที่ไม่ใช่คอสุราที่พูดเรื่องสุราและคนเมาสุราได้เลยหลานคนทั้งบ้านทั้งเมืองกละทั้งเด็กๆที่เขาไม่ดื่มสุรา <c oughs> เขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของคนเมาสุราได้ เพราะเรื่องพันนี้มันทิ่มหูแทงตาทําลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวลาเวลาใครๆก็พบก็ดน อ, นอยู่ทั่วไปเป็นแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเอื่มระอาที่จะพูดให้เสียน้ําลายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นอกจากผลเสียจะตามมาจากพวกกินยาพิษไม่เบื่อ น, นี้เท่านั้นใครๆจึงเก็บไว้ภายในแบบรู้กันเองโดยไม่ต้องแจกแจงถามคนมีอํานาจกับคนมีวาสนานี่ต่างกันหรือเหมือนกันปู่เราทั้งหลายเคยได้ยินจน ชินหูชินใจว่าคนมีอำนาจคนมีวาสนาหรือคนมีอำนาจวาสนาแต่ไม่ทราบว่ามีความลึกตื้นนาำบางกว่ากันอย่างไรบ้างกราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้ลหลานฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคิดและการปฏิบัติต่อไปตอบคำว่าอำนาจตามหลักธรรมแล้วเป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนาคนมีวาสนาบรารมีมักเป็นคนมีความดิบความดีได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าเป็นนายมียศสูงทรงตามลำดับและมีอำนาจสังส่งการทางานได้ตามหน้าที่และกดข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองนี่ท่านว่าคนมีอำนาจวาสนาตามจารีดประเพณีของปราดที่ท่านดําเนินและทรงกันมาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบา ร, รมีก็ร่มเย็นทั่วหน้ากันคนที่มีอำนาจวาสนาตามหลักธรรมตัวเองก็สงบชุ่มเย็นกิริยาอาการที่แสดงออกมีส ง, ง่าราศีไม่อาภัพอับเฉา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 มันเป็นผลร้ายแก่ตนแทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเห่อความพึึกขนองไม่เข้าเรือเข้าราวของใจคนเราเสียคนมามากต่อมาจนแมจนไม่อาจนับพันานาได้เพราะความสำคัญตนและทำตนแบบนี้เขาว่าความดีคนดีทำเครื่องประดับโลกให้มีความสงบป่มเย็นปราดพูดทรงธรรมและพาดำเนินในทางที่ดีมีอยู่ประจาโลกไม่เคยขาดศูนย์และไม่เคยล้าสมัยสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเหล่านี้แลพยุงโลกให้พอ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 คนที่มากราบเรียนถามปัญหาหลวงปู่มีมากทั้งหญิงและชายพระเนเงข้าราชการชั้นและพระเน่ต่างๆส่วนมากกขมักเรียนท่านว่าหลวงปู่หรือปู่ตามความถนัดใจจึงกรุณาทราบตามนี้ว่าไม่ใช่คนเดียวจำพวกเดียวถามมีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามตอบเปลื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายปัญหาจึงมีแปลกๆต่างๆกันไปตามทัศนของแต่ละรายละลายถามปู่ครับคนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหายานะมักสนใจไฝ่ใจชอบทำในสิ่งนั้นๆจนเป็นนิสัยดูว่าทำอะไรทำอยู่ไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายราวกับจะเป็นจะตายจริงๆถ้าเด็ดทำตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิริมงคลสิจริงจริงทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีจะพาให้เสียสมบัติเงินทองและเสียผู้เสียคนปู่มีความเห็นอย่างไรข อ, อนิมนตโปรดลูกหลานด้วยเผื่อว่าจะมีทางเยียวยาได้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 ที่คอยชุดคอยลากให้ลงทางฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเวลา